6. การดูกายวงเล็บเปิดเก้าพฤษภาคม2 5้ายหจุดจุดนาทีสิหวงเล็บปิดการดูกายต้องมีใจที่ตั้งมัน่นสักว่ารู้สักว่าดูใจต้องอยู่ตังหากเป็นแค่คนดูอย่าไปเพ่งร่างกายให้ทื่อๆไปให้เราแค่เห็นร่างกายมันทำงานไปใจเป็นคนดูอยู่ตังหากคนไหนดูกายนี่หลวงพ่อพูดเหมาเหมานะให้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวมันทางานไปใจเป็นคนดูอยู่ตังหากใจเป็นแค่คนดู ร่างกายมันทำงานอย่าเหลือแต่กายแค่อันเดียวหลายคนภาวนาผิดนะภาวนาไปแล้วไปรู้ลมหายใจเหลือแต่ลมหายใจไม่มีความรู้สึกตัวจิตจมลงไปในลมบางคนดูท้องพองยุบเหลือแต่ท้องจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องมันต้องมีจิตอยู่ตังหากการแยกกายแยกใจนี่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณก่อนที่จะขึ้นวิปัสสนาหนี้ญาณที่หนึ่งต้องมีนามรูปปริเฉทญาณ คือแยกรูปกับนามออกจากกันให้ได้ก่อนรูปธรรมอยู่ส่วนหนึ่งนามมาทำเป็นคนดูเพราะฉะนั้นเราเห็นร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยเพราะใจเป็นคนดูอยู่ตังหากเพราะฉะนั้นต้องพยายามนะคนไหนที่หัดรู้กายเวลารู้ลมหายใจอย่างนี้อย่าให้จิตไหลไปจมอยู่ที่ลมหายใจให้จิตอยู่ตังหากจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจไปจิตเป็นแค่คนดู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 ไม่สักว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตจะถลำลงไปไปรู้อารมณ์แล้วก็ถลำไปรู้อารมณ์แล้วก็ถลำ ม, มันจะไม่สามารถเห็นอารมณ์ทั้งหลายตามความเป็นจริงจิตมันจะไปแช่นิ่งๆซื่อบื้ออยู่กับอารมณ์อย่างนั้นไม่เกิดปัญญาได้แต่ความสงบเพราะฉะนั้นคนไหนดูกายรู้ไปว่าร่างกายเคลื่อนไหวมีใจเป็นคนดูแล้วจะเห็นเลยว่าร่างกายมันก็เคลื่อนไหวของมันไปเรื่อยจิตใจมันก็ทํางานของมันไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้สักอันเดียวทั้งกายทั้งใจ ทำวิปัสสนาไม่ใช่รู้กายอันเดียวหรือรู้จิตอันเดียวนะทำวิปัสสนาจริงๆไม่เหมือนสมถะสมรถะรู้อันเดียวให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่วิปัสสนานี้บางครั้งสติรู้กายบางครั้งสติรู้จิตเลือกไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตเมื่อรู้กายเราก็ให้เห็นความจริงของกายจิตเป็นแค่คนดูอยู่เห็นความจริงว่าร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราหรอก จะเห็นทันทีว่าไม่ใช่เราแต่ยังเราไปเพ่งท้องพองยุบไปเรื่อยๆมันจะไม่เห็นว่าไม่เป็นเรามันจะสงบไปเฉยๆเพราะฉะนั้นใจจะต้องตั้งมั่นเป็นแค่คนดูอยู่